นักสร้างสรรค์สังคมที่ปรึกษาและนักการเมืองทั้งนี้จะเลือกทําเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อคนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติเป็นสําคัญที่ผ่านมาเคยสอนที่มหาวิทยาลัยมอนแสและเป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นนักวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นองค์การโทรคมนาคมออสเตรเลีย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 ผู้สงคุณวุฒิที่ปรึกษานักวิจัยและอาจารย์ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า50แห่งนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสือในหลากหลายสาขาอาทิเศรษฐกิจนโยบายศึกษาการต่างประเทศสังคมการเมืองการบริหารการศึกษาอนาคตศาสตร์การคิดมากกว่า150เล่ม และมีผลงานบทความลงตีพิมพ์ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศสม่ำเสมออาทิบทความวิชาการมากกว่า200เรื่องบทความแสดงทัศนนะด้านต่างๆมากกว่า 3,000 เรื่อง